มันก็ทิ้นนะเป็นงานใหญ่ของวัดป่าสุกโตเรียกว่างานใหญ่ที่สุดก็ว่าได้นะจำเพาะโรงทานที่ม า, าตั้งนะในวันนี้นะก็ยี่สิบได้นะบวดเดินผา้าฤดูร้อนก็ไม่มากขนาดนี้นะเรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดนะของวัดป่าสุกโตประจำปี ก็เหมือนกับวัดต่างๆนะทั่วประเทศนะการทอดกระถินนี่เป็นงานใหญ่ที่สุดประจําปีของวัดทั้งประเทศนะอาจจะยกวเว้นบางวัดที่มีงานใหญ่กว่านั้นเรียกว่างานวัดอย่างเช่นงานวัดสเกตงานวัดหลวงพ่อโสธร อ, อะไรเงี้ยอันนั้นใหญ่มากนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ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 เลียกว่ามีไม่มากนะบางวัดก็ไม่มีพระจำรรษาครบนะแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการอาอธิบายว่าจริงๆนี่พระจำภรษาไม่ครบห้านี่ก็ได้นะมีพระวินัยรับรองอยู่นะแต่ว่าก็ต้องไปหาพระจากที่อื่นมามารับกระถิดด้วยนะหลายวัดก็ถึงเป็นเรื่องใหญ่นะ ได้ทราบว่าเนี่ยอย่างภาคใต้เนี่ยมีบางวัดพระก็น้อยนะไม่ครบห้าก็ต้องไปพยายามดึงพระจากเมืองเนี่ยมาจามาษาแต่พระในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีกิจเช่นต้องเรียนหนังสือและจะทำยังไงนะถึงจะให้ท่านมาจามษาได้ก็ใช้วิธีมาจามาสาที่วัดนี้แต่ว่าไปเรียนที่วัดหนึ่งในเมือง ไปเรียนยังไงไปสัตตาหานะสัตตาหะเจ็ดวันกลับมานอนคืนหนึ่งวันรุ่งขึ้นก็สัตตาหะต่อแล้วไปเรียนหนังสือนะหกวันบ้างเจ็ดวันบ้างแล้วก็มาเอาลาตรีนะมาค้างคืนที่วัดที่อธิษฐานพรรษาก็เป็นการแก้ปัญหานะสมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย วัดก็มีพระธรรมศาส์เกินห้าส่วนพระท่านก็ยังสามารถจะได้เรียนหนังสือในเมืองนะแต่ว่าวัดที่ท่านอธิษฐานพรรานี้ก็อยู่นะค้างคืนค้างแรมได้แค่ไม่กี่วันนะนะประมาณสักเอ่อสิบกว่าวันได้นะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าทางวัดอยากได้กรถินนะ แต่วัดป่าสุกโตนี่จะเรียกว่าโชคดีก็ได้นะก็คือว่าไม่เคยขาดกระถินแล้วก็ไม่เคยขอด้วยก็มีแต่คนมามาถามนะทางวัดป่าสุกโตก็ตั้งแต่ใ น, นายตาลัยมาก็เป็นกรถินสามังคีนะกระถิ่นสามังคีคือมีเจ้าภาพร่วมนะหลายหลายเนี่ยต้องการเป็นเป็นเจ้าภาพกระถินแต่ผู้เดียวนะอันนี้ก็มีเยอะนะ เมื่อมีความต้องการอย่าเป็นเจ้าภาพแต่ผู้เดียวแต่ว่าคนอยาเป็นเจ้าภาพเยอะก็ต้องต่อคิวบางวัดเนี่ยเช่นกะปังน้านี่มีคนต่อคิวประมาณนะสองร้อยเจ้าภาพได้หรือสามร้อยเจ้าภาพก็คือสามร้อยปีนะต่อคิวสามรอยปีมีผู้จองกรฐินไปแล้วเนี่ยจนถึงปีสองพันแปดร้อยนะก็ไม่ทราบถึงตอนนั้นนี่โลกมันจะเป็นยังไงนะ อีกสามรอยปีข้างหน้าเพราะว่าตอนนี้ก็มันก็แยแย่เต็มทีแล้วสิ่งแวดล้อมนะน้ําจะท่วมหรือเปล่าภายในศตวตรรษหน้าก็ยังไม่รู้แล้วก็กรุงเทพนี่ก็เป็นที่ต่ําด้วยยิ่งวัดปักน้ํานี่ก็เป็นที่ต่ําเขาก็ประมาณว่าใ น, นประมาณอีกร้อยปีนี้น้ําก็จะน้าทะเลก็จะขึ้นสูงนะเมตรหนึ่งเป็นอย่างน้อยหนึ่งเมตรเป็นอย่างน้อยนะหรืออาจจะสองเมตร วัดบางว่าแถวปากน้านี่ก็โดนน้ําท่วมไปถึงถึงอุโบสถแล้วนะรู้สึกว่าชื่อวัดขุนสมุทรจีนมนะั้งแถวปางน้ําเนี่ยอยู่อยู่ไกลาจากทะเลนะอยู่ไกลาจากชายฝั่งนะแต่ตอนนี้น้ําท่วมไปถึงโบดแล้วเวลาผ้าไปทําสังฆกรรมนี่ก็ต้องอ่าเดินบนสะพานนะไม่รู้ว่าน้ําจะท่วมแค่ไหนอันนี้เป็นเพราะการทําลายสิ่งแวดล้อมมากพัสกรเ น, นี่ย มันก็จะมีโครนมีโครนตรมมาทับถมต่างแม่น้ําก็ทําให้อ่าน้ําทะเลเนี่ยนะไม่ไม่ขึ้นมาไกลแต่พอสร้างเขื่อนแล้วสร้างเขื่อนกัไหลายเขื่อนเนี่ยไอโครนฝุ่นโครนตรมนั่งไหลายเนี่ยมันก็ไปติดอยู่ที่เขื่อนนั่นแหละมันไม่ลงมาถึงปากน้ำํำพอไม่ลงมาถึงปากน้ําเนี่ยเวล า, ามีคลื่นมีอะไรซัดมันก็ซัดเอาชายฝั่งหายไปเรื่อย ทุกปีก็มีน้ําสัดชายฝั่งหายไปแต่ว่าไม่มีคนตมไม่มีอ่าพวกตะกรนหินดินมาทับถมมาเสริมมาทดแทนมันก็เลยเกิดปัญหายอย่างนี้แหละนะอันนี้ก็เป็นผลประการหนึ่งของการสร้างเขื่อนรวมทั้งการตัดอตัดพวกทําลายป่าชายเลนด้วยนะอันนี้ก็นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฐินนะซึ่งปีนี้ก็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 บางรูปก็สึกวันนี้หลายรูปก็สึกนะอีกไม่กี่วันหลังจากนี้แล้วก็หลายท่านก็จะจาริกนะหรือไม่ก็ไปทุดงหรือแม่ก็ย้ายไปอยู่วัดอื่นนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมดาเมื่อออกพรรษาแล้วมีการรับกระติตเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกพรรษาเนี่ยจะพรรษาจะสิ้นสุดอย่างสมบูรณ์ก็คือวันนี้แหละนะ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 ไปเยี่ยมเยือนนะ<ด>เหมือนกับไประลึกย้อนความหลังสมัยที่ชาวบ้านยังลําบากลําบนปีนเขามาสมัยนั้นเนี่ยธรรมชาติเป็นใหญ่นะคนก็ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติต้องอยู่อย่างกระเบียดกรเสียนแต่ตอนนี้คนเป็นใหญ่คนหลังเขาแล้วธรรมชาติก็กลายเป็นธาตุรองรับใช้มนุษย์นะก็<ๆ>ไปเยี่ยมเยือนตรงนั้นนะเพื่อให้เราลึกว่าครั้งหนึ่งนะ ก็เคยมีป่าอุดมสมบูรณ์จากปลงช้างก็ต่อไปบ้านห้วยผักน้ําแล้วก็ลงไปข้างล่างไปจนถึงบ้านานาฝายแล้วก็ขึ้นมาที่ย้อนขึ้นมาที่อุทยานตัดโตนนะธรรมญาณต า, ตนะรร า, ตาจะสิ้นสุดที่อุทยานตาดโตนนะแล้วก็ยังมีกิจกรรมหลายอย่างนะทั้งกิจกรรมเกี่ยวเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติเกี่ยวกิจกรรมเกี่ยวกเรื่องการปฏิบัติธรรมด้วย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 ถวายทานนะแต่ว่าเป็นการภาวนาด้วยก็มาร่วมเดินธรรมญาตาไดนะ้จะเดินครบแปดวันเลยก็ได้หรือว่าจะเดินแค่วันสองวันก็ได้หลายคนเนี่ยจะรอเดินวันที่ห้าหกเจ็ดนะเพราะว่าหยุดสามวันนะแล้วก็ห้าหเจ็ดนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีดีซะด้วยนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ธรรมญาตาเดินผ่านป่านะเดินผ่านป่าก็จะร่มรื่น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 ก็รอนะก็เป็นช่วงนะห้าหกเจ็ดที่หลายคนก็จะนิยมไปกันนะก็ประมาณว่า ป, ปีก่นกอนๆเนี่ยถ้าเป็นช่วงวันเข้าพรรษาเนี่ยก็จะมาไปประมาณสามร้อยสี่ร้อยคนไปเดินทางญาตินี่ก็นะต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าถ้าอายุไม่ถึงห้าสิบนี่ก็ต้องสะพายของขึ้นบ่าเองหรือว่าสะพายขึ้นหลังเองอายุห้าสิบเกินกว่านั้นก็ เอาสัมภาระขึ้นขึ้นรถได้แต่ก็ไม่มีเข้าเย็นนะอ่าก็เรียกว่านอนกลางดินกินกลางทรายก็จะมีเด็กนักเรียนนะมาร่วมเดินด้วยคนแก่ก็มาเดินนะเจ็ดสิบกว่าก็มาเดินหลวงพ่อสิงห์เนะ่ะอายุเจ็ดสิบปดสิบก็มาเดินเกือบตลอดหลวงพ่อคําเขียนหลวงพ่อกลมนี่ก็มาร่วมเดินนะเป็นขวัญเป็นกําลังใจพวกเราด้วย ก่อนที่หลวงพ่อจมอมรอนับภาพนี่เดินธรรมยาตราครั้งที่สิบสี่ท่านเดินท่านมาท่านมาร่วมกับพวกเราตลอดเลยไม่ได้เดินตลอดแต่มาพวกเราพักที่ไหนทต้ก็ไปพักที่นั่นค้างที่นั่นถ้าเป็นกําลังใจเหมือนกับว่าจะอําลานะเพราะว่าพอปีถัดไปท่านก็มรรนับภาพก็เลยจัดธรรมยาตราเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบูชาคุณตอบแทนบูชาครูตอบแทนคุณถวายหลวงพ่ออปีนี้ก็เหมือนกันนะก็ยังทําเพื่อ อ่าสืบทอดเจตนาหลงหลวงพ่อนะอ่าแล้วก็เตรียมรับพรได้